ขอความเจอในธรรมจะมีแต่ท่านผูกฟังท่าไหลายแต่โรงปูพุทยาณได้แวะมานำเสนอคำถามของผู้ที่ถามมาในโอกาสต่างๆอยู่ระยะหนึ่งเก็นว่าช่วงนี้อยากจะต่อไปหาต่อปัญหาไปอีกสักระยะหนึ่ง เพรว่าเรื่องไตรรุปปัฏฐานในการต่อไปนั้นก็เป็นเรื่องที่อยู่ในพุทธประวัติหมายความคนที่อ่านหนังสือพุทธประวัติก็จะรู้ความเป็นมาในช่วงตรงนี้หยุดแล้วยี่เนินธรรมเทศนาก็เริ่มจะยากขึ้นก็แวะมาดูคําตอบคําถาม ของสาธุชนถึงถามมาในวกาสต่างๆสรรมบันนี้จะนำเอาคำถามของพระนรวกาศที่บวชนวัดปวริเวศวิหารเอคือที่วัดเนี่ยเมื่อออกพรรษาแล้วก็จะบวชกันเป็นชุดๆเดือนหนึ่งก็สองชุดนะฮะแล้วก็มีหลักสูตรพิเศษ เวลาประมาณสิบห้าวันชุดหนึ่งก็ประมาณสิบห้าวันวอาตมาก็ได้บรรยายในที่นั้นทุกคราวแต่ว่าในวันสุดท้ายนั้นจะเปิดโอกาสให้ท่านถามปัญหาเพื่อจะแก้ข้อข้องใจสงสัยต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของท่าน ปัญหานี้เป็นปัญหาของชุดหนึ่งท่านถามว่าคํากล่าวที่ว่าสตรีคือศัตรูของโภมจันทร์ทำให้รู้สึกว่าผู้หญิงนั้นเป็นสิ่งไม่ดีว่าไม่ดีแล้วโลกนี้ทําไมจงมีสตรีมีเพศหญิงคู่กับบุรุษมาตั้งแต่เริ่มถ้าผู้หญิงไม่ดีธรรมชาติก็ไม่ดีไปด้วยหรือ พระพุทธศาสนาเป็นหลักธรรมชาติในคำกล่าวของต้นฟังแล้วดูเหมือนจะขัดกับหลักธรรมชาติคือประเด็นนี้ที่จริงไม่ได้ใช้คำแปลอย่างนั้นนะครับคือคำถามนี้ผู้ชายก็ถามว่าอะไรเป็นอันตรายต่อพระมหจรรย์พระพุทธเจ้จา ก, ก็ทรงแสดงอ่าอิทธิมลังประมจริยศัพทผู้หญิงเป็นอันตรายต่อพรมจรรย์ แล้วก็ทีนี้ติดตามว่าเป็นผู้ผู้หญิงถามว่าอะไรเป็นอันตรายต่อพระมรย์ผู้ชายก็ตอบว่าผู้ชายเป็นอันตรายต่อพระมรย์คือพระมรย์ในที่นี้จะเน้นหนักไปในเรื่องการเรื่องการมีเพศสัมพันธ์เ่อการมีเพศสัมพันธ์การเกี่ยวข้องทางเพศการไปสัมพันธ์ในเชิงกรมสันทวะนั้น มันก็ทำการระวังผู้หญิงกับผู้ชายก็เป็นรักฝ่ายจึงเป็นอันตรายต่อปรมจันท์ของกันและกันมือฝ่ายหนึ่งต้องการจะไปฝึกปฏิบัติให้มันเรนนีดขึ้นไปกว่าเดิมการที่ไปยุ่งเกี่ยวกับอีกฝ่ายหนึ่งมันก็กลายเป็นลุกตุ้งถวงและทำให้กํหลัดเพลิดเพลินอยู่ในทางเพศ คำ ต, ตอบคําถามธรรมดาธรรมดามากเป็นการตอบตามธรรมชาติเพราะว่าธรรมชาติของผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยเขาก็เป็นเขาอย่างนั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเมื่อต้องการจะครองเรือนเนี่ยมันก็คลองเรือนคลองสุขกันได้แต่ถ้าต้องการประพฤติผู้มาจันเนี่ยทั้งผู้หญิงผู้ชายและยุ่งเกี่ยวกันไต่กันไม่ได้ หมาความผู้หญิงไปยุย่งเกีย่ยวกับผู้ชายผู้ชายไปยุ่งเกีย่ยวกับผู้หญิงอย่างนี้มันก็เป็นอันตรายเราปุ่มให้กันเดียวกันมันไม่ใช่ว่าว่ายใด้ใารหนึ่งผู้หญิงบวบัญญัติยิย่งละเมิดละไมมากกว่าเอาขนาดว่าผู้ชายจับมือถือแขนแล้วเกิดยินดีนี่ขาดแต่กพิษุนีเลยโรคเราเป็นโรคของกามาโลกเรียกว่าอยู่ในระดับของกามาวจรปุ่ม ท่องเที่ยวอยู่ในกามคบนความกำหนัดยองเกิดขึ้นในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลิตภัณฑ์ของเพศตรงกันข้ามที่บุคคลไปกำหนดว่าหน้าใครหน้าปรารถนาหน้าปวใจและรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัพฑ์เหล่านี้ส่งแสดงว่าพราะองค์ไม่เห็นรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์เหล่าใดที่เกิดขึ้นครอบ ง, งาใจผู้ชายได้ถ้าก็รู้เสียงกลิ่นรสผลิตภัพฑ์ของผู้หญิง คนในธรรนองเดียวกันก็ไม่เห็นรูปเสียงหรือรูปปัตตพอันใดที่เกิดขึ้นครอบงำใจผู้หญิงได้เขาก็รูปเสียงเกิดรูปปัตตพของผู้ชายนี่ก็คือกฎเปียนธรรมดาธรรมดานี่เองไม่ได้พูดถึงดีไม่ดีนะฮะไม่ได้พูดถึงดีไม่ดีแต่ดีไม่ดีอยู่ที่ความประพฤติเนีฮะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายอยู่ที่ประพฤติดีก็ดีประพฤติไม่ดีก็ไม่ดีไม่ได้อยู่ที่ผู้หญิงผู้ชายแต่ถ้าเกี่ยวกับปรมาจารย์แล้วเนี่ย เป็นอันตรายของการอะไกันแล้วท่านก็ยังถามเลยไปบอกว่าที่ถามนี้ถามในกรณีของผู้ที่เป็นคารวะที่มีพัญญาดัางนั้นถ้าเป็นอย่างที่กล่าวข้างตน้นคารวะผู้มีพัญญาก็ไม่สามารถบรรลุธรรมหรือพบสัจธรรมได้เลยเมื่ อ, อยังครองเพศเป็นคี้หัดอยู่พบนะพบได้แต่ว่าเป็นไม่เกินพระสกตาคามีนะฮะ คือบรรลุได้ไม่เกินพระจกรทารามีพอมาถึงพระนาคามีแล้วต้องละ ก, กาม ร, ราคานะละความรู้สึกในทางเพศแล้วก็ละปฏิฆะคือความโกรธความไม่พอใจความหงุดหงิดความรำคาญตา่างๆก็เป็นอันตรายของกันและกันนะฮะเป็นลูกตุ้มถ่วงกันและกันดัทงที่กล่าวแล้วเรืองเพร่อยังบุคคลได้เนี่ยที่แน่นอนก็คือชั้นปัจดุบัน ชันสักกาคามีเนี่ยชักไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเท่าที่พบมานะฮะยังไม่พบพระสักดากามีมีครอบครัวอาจจะมีได้ก็ได้เพียงแต่ว่ายัางศึกษาไปไม่ถึงแต่ว่าถึงพระนากธมนีนั้นแน่นอนนะฮะคือท่านสละท่านไม่เอาด้วยถ้าเป็นผู้หญิงก็สละให้ผู้ชายผู้ชายก็สละให้ผู้หญิงนะมีบาสกท่านหนึ่งชื่อวิสาขาอุบาสุก บรรลุมรรคผลเป็นประนาคามีมอบทรัพย์สมบัติทั้งปวงให้แก่กปัญญาคือนางาธรรมทินนาแต่นางธรรมทินนาท่านกลับรู้สึกว่าการทำของวิสาขาอุบาสกนั้นเหมือนกระโถนน้ำลายแล้วเอาให้ท่านเอศรีะไปรับน้ำลายท่านไม่รับแต่ขอบวด ในสุดก็ออกบวชบําเพ็ญเพียรไม่นานความรู้มาผลเป็นพระหานเหนือกว่าอุปสบปศกสิไอ้นี่มันเป็นคุณธรรมภายในใจของบุคคลนะคือเราคิดเมื่อจิตเราอยู่ระดับหนึ่งเราคิดได้แต่เมื่อจิตมันขึ้นไประดับหนึ่งมันไม่ได้คิดอย่างที่เราคิดออกเราจะคิดอย่างที่ประนาคามีท่านคิดอย่างที่ประหันท่านคิด อางพระสังฆนาชามีท่านคิดมันคิดอีกระดับหนึ่งว่ากิเลสเนี่ยเป็นเหตุปุ่มคิดคิดปุ่มขึ้นมาสร้างอะไรขึ้นมามากมายกากองภายในจิตใจของบุคคลแต่ทางในจิตใจท่านก้าวไปสู่จุดเดิงได้แล้วเนี่ยท่านก็ไม่ได้คิดรุ้งรังอย่างที่อย่างที่ว่า ถามว่าคนเราเมื่อตายแล้วทำไมจิตของเราที่ดิ้นดนไปเกิดใหม่ จ, จึงจำเรื่องราวในพวกเก่าไม่ได้ทั้งๆ ท, ท, ที่กรรมที่เราทำนั้นก็ติดตามเราไปในภพหน้าด้วยเช่นกันคือสังสารวัฏเนี่ยมันสลับซับซ้อนนะนะเพราะทีจริ ง, รงหมดความจำเหล่านั้นก็อยู่ภายในจิตนั่นแหละแต่มันถูกทับถมเอาไว้ด้วยอํานาจของกิเลสประเภทต่างๆ จึงไม่อาจใจใจรู้เห็นถึงความจริงในอนดีตชาติของตัวเองได้เมื่อท่านบำเพ็ญบเพ็ญเพียรขัดเกลากิเลสจนจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสเป็นจิตอ่อนกวรแกการงานแล้วก็น้อมใจน้อมจิตไปเพื่อระลึกถึงชาติในปางก่อนเนะี่ยท่านก็ระลึกได้นะฮะ พวกที่บรรลุ ป, ปุเพนวาสารติยานหรือท่านกอรดกได้เราแสดงให้เห็นว่ามันก็อยู่ที่ความคิดของเราอะ่ะอยู่ที่ความคิดของเราว่าเรามองเห็นโทษของกิเลสที่สะสมอยู่ภายในใจของเราหรือไม่จะมองเห็นโทษของกิเลสก็ยพยายามลดละบรรเทากิเลสให้จางคลายลงไปประเดจุดหนึ่งเนี่ย เมื่อกิเลสมันสงบลงไปเราก็ระลึกชาติได้ไปตามลําดับพอกิเลสมันหมดเนี่ยก็ระลึกเชาตินับไมหวาดไม่ไหวระลึกได้ไม่หวาดไม่ไหววันหนงจริงๆขบวนคนบางคนเนี่เกิดมาระลึกชาติได้แต่ว่าละล็กได้ชาติเดียวเวลานี่ฝรั่ังเขากำมือกำมังศึกษาค้นคว้าเรื่องการระลึกชาติก็เรืเลื่อนชาติพบ ขเขาลึกได้ตั้งเท่าไรหกสิบแปดชาติแล้ทีนี้ท่านี่ได้ปัญญาจะลึกได้เป็นกลับเป็นการเลยขนาดกิเลสยังไม่หมดนะเพราะถ้าต้องการพิสูจน์ตรงนี้ก็ต้องพยายามทำกิเลสให้มันสงบจนได้ระดับพิญญานะปัญญาที่เป็นโลกิญานี่แหละเป็นเรื่องโลกธรรมดาธรรมดาเนี่ยแต่ว่าสามารถจะลึกสามได้ คำถามว่าเมื่อวิวาสุพันธ์ของเพศชายเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดทางเสือส่อมในศีลอาเป็นเหตุได้ต้องปรารชิกทําไมจึงไม่ตัดออกเสียเพื่อเป็นการปิดประตูในทางเสื่อมนี่เสียอวัยวะมันเป็นอวัยวะทานั้นเองคือจิตที่กําหนักเพลิดเพลินชื่นชมยินดีต้องการในด้านต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่ความคิดนะฮนอยู่ที่ความคิด มันจิตคิดด้วยความกำหนัดดำริ ด, ด้วยความกำหนัดความกำหนัดมันก็เกิดขึ้นดำริ ด, ด้วยความกัดเคืองความกัดเคืงก็เกิดขึ้นดำริ ด, ด้วยความประมาทโวเมาความประมาทัวเมาก็เกิดขึ้นวันเระพุทธศาสนาไม่ได้ถือว่าอาวัยวะเหล่านั้นน่ะมันเป็นคาดศึกอะไรมันก็เป็นเพียงอวัยวะที่จะบริหารร่างกายเราให้เป็นไปเพราะว่าการตามความจริงเราต้องนึกถึงถึงผ้งงาความจริง ว่าพวกขันทีของจีนเนี่ยนะฮะราชวงศ์จีนสมัยโบราณนี่มีขันทีเยอะนี่เขาก็ตัดอวัยวะเพศออกแต่ว่าใจนั้นยังมีโลภยังมีราคะยังมีความปรารถนาต้องการอยู่เพราะมื่อแกไม่ได้ในทางเพศแกกตามในทางยศทางอำนาจทางบริวารทางเงินทองอะไรต่ออะไรต่างๆจนราชวงศ์จีนเนี่พังเพราะ ขันธีมามาัดม า, มากมากแล้วเราก็รู้กันมันไม่ได้แก้ปัญหาหรอกแต่เป็นการสร้างปัญหาแล้วก็การบวชเนี่ยอวัยวะต้องสมบูรณ์นะฮะวัยวะต้องสมบูรณ์ถ้าอวัยวะไม่ไม่สมบูรณ์แล้วเขก็ไม่ให้บวชถือว่าเป็นบนรรญัติชาโทษคือโทษที่ห้ามบวชวัยญาทั้งหมดเนี่ยคนเราต้องมีสมบูรณ์จะเป็นผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามแม้แเป็นกระเทยนี่เขาก็ห้ามบวช เพราะว่าอวัยวะบางส่วนบกพร่องไปเป็นการงงในเชิงที่เป็นวัตถุมากไปน่อยนะฮะคือเรื่องศาสนาเป็นเรื่องของจิตใจนะจิตใจจะเป็นเรื่องใหญ่มากวัตถุมันมีเท่าที่มันมีถ้าหากว่าจิตใจเราไม่ได้เหนียวนึกตึกนึกตูก้ความกำลังหนักละครายพอใจต้องการไอ้กิเลสมันไม่โดดฟูขึ้นมาหรอก แต่ที่มันเป็นปัญหาก็เพราะว่าใจเราไปกำหนดด้วยความกำหนัดใน ต, ตัวสิ่งนั้นๆนั่นเองต่อไปท่านถามว่าการบัญญัติข้อห้ามตั้งทั้ง227ข้อของพระพุทธเจ้าเป็นมีเหตุผลอะไรและทำไมจึงส่งบัญญัติเช่นนั้นคือที่จริงสิกขาบททั้งหลายเนี่ยโดยเนื้อหาวัตถุประสงค์จริงๆการบัญญัติสิกขาบททั้งหมดนี่นะ ม, นมีวัตถุประสงค์อยู่สิบประการ เป็น เ, เพื่อให้สงไม่ยอมรับว่ามันควรจะมีสิกขบุตปัญญาัาธรรมไว้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นและประการที่สองเนี่ยเพื่อให้สงที่ภิกษุที่นิสัยดีงามเนี่ยอยู่อย่างปกติสุขเพื่อสงอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขเพื่อปกป้องคนที่มีอัตยาศดีงามไม่ถูกเบียดเบียนไม่ประทุธร้ายและเพื่อกำราบคนอยู่ว่าด้วยวายจาสอนอยา เพจัดเรื่องเสื่อมเสียที่เกิดขึ้นมาแล้วเพื่อป้องกันเรื่อ ง, งรเรองสื่อมเสียไม่เกิดขึ้นซ้ําซ้อนเพื่อคนที่ยังไม่เริ่อมใสได้เกิดศรัทธาเลื่อมใสเพื่อคนที่เกิดศรัทธาเริ่มไสอยู่แล้วได้เริ่อมใสยิ่งขึ้นตัวความดำรงอยู่อย่างมั่นคงของพระศิธรรมคือการศึกษาก า, การปฏิบัติการเผยแผ่แล้วก็เพื่อ เป็นการอนุเคราะห์พระวินัยคือให้ทุกคนถือตามบรรัติตามพระวินัยนี่เขาเรียกวัตถุประสงค์เรื่องอำนาจแห่งประโยชน์พระพุทธเจ้าเห็นอำนาจแห่งประโยชน์สิธประการอย่ทรงบัญญัติสิกขาบทเหววลาเ่านี้ไว้เติมล่าวโดยนิหารสารละนี่เราจะเห็นว่าต้องการจะขัดเกลากิเลส ท, ที่มีอยู่ภายในใจคนเนี่ยให้เจือจางเบาบางลงไปทั้งหม ด, เด้เป็นเครื่องมือในการขจัดกิเลส เราลองดูตัยอย่างง่ายๆนะฮะเช่นศีลแปดศีลแปดข้อที่หกไปนะฮะข้อที่6กกินหนึ่งข้อที่แปดเนี่ยมันไม่ได้บาปเบริรอะไรเรอมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เดี่ยต้องกินอาหารธรรมชาติของมนุษย์ต้องสรรนาการต่างๆธรรมชาติของมนุษย์จะต้องประดับประดาตกแต่งร่างกายธรรมชาติของมนุษย์ก็ต้องการอยู่กินสบายนะฮะกินอยู่ดับนอนสบาย แต่ว่าสมนมาคนในรักษาศีลแปดแล้วเนี่ยมันมีปัญหาเพราะว่าศีลแปดนั้นข้อที่สามเนี่ยห้ามการมีเพศสัมพันธ์หรือห้ามมีการความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายการรับประทานอาหารมาเป็นการกระตุ้นความต้องการทางเพศการคขวนขว้างขับร้องะมาคมบนญรีดีซีตีปอและดูการเล่นต่างๆนั้นเป็นการกระตุ้นการมาราค้าของตัวเอง การนอนบนที่นอนสูงใหญ่ภายในมินุ่นและจำรีเครื่องราชพิจิตรงดงามเนี่ยมันก็กระตุ้นกรรมราคา่ะทำให้ยากต่อการรักษาศีลข้อที่สามไให้บริบูรณ์ได้ผลกระสุมบัญญัติศีลสีลตรงนี้ข้อเหล่านี้สำนวนบาลีแันเรียกว่าเป็นปัจ น, นิวัชชาคือมีโทษตามบัญญัติของพระวินัยแต่เด็ ق. หมายความว่าโทษไม่ได้สากลแก่คนทั่วไปซึ่งผิดกระสีสีข้อแรกห้าข้อแรกการฆ่าการการลักการการประพฤติผิดในทางประเวณีการโกหกกันตกเป็นทาสกับสิ่งเสพติดให้โทษเนี่ยมันผิดโทษทั้งโลกอยงเหมือนนี่ใครเสพยาบ้างก็ผิดทั่วทั้งโลกใครมีไว้ในครอบครองใครผิดใครจําหน่ายใครจ่ายแจกต่างๆก็ผิดทั้งนั้น แต่กินข้าวเย็นเนี่ยมันก็ผิดเฉพาะคนที่รักษาศีลบรสุทธิเท่านั้นเองรักษาศีบลบริสุรักษาศี 8, แลแปรักษาศี 10, ลสิบรักษาศี 7, ลสองรอยเจ็ดเนี่ยนะรักษาศีลสามรอยสิบเอ็ดจึงจะผิดตอนนั่นั่งก็ไม่ได้ผิดที่เป็นการอนุเคราะห์ตอบพรหมจันทร์คือให้การปฏิบัติพรหมอาจาร์ของท่านเหล่านั้นนะ่ยมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแทนที่จะ มีความบกพร่องผิดพลาดในการปฏิบัติก็ส่งบัญญัติสิกขาบทที่เป็นอุปการะคือเข้าสนับสนุนสนับสนุนส่งเสริมให้แต่ละคนเนี่ยได้ปฏิบัติอยู่ในคันลองครองธรรมตาระการที่พระภิกษุทำนายดวงชะตาให้แก่คนที่เข้ามาในวัดหรือมาถวายของ ถือว่าผิดหรือไม่เพราะเหตุอะไรคือพวกการทำนายถ่ายพักเนี่ยมันผิดในระดับของมัจจิมาศีนกับมหาศีนนะฮะและขึ้นอยู่กับทำนายเรื่องอะไรแต่ว่าตรงนี้ท่านไม่ปรับเป็นอับัติเอาไว้เพราะมันอยู่ในพระสูตรคืออยู่ในเรื่องของธรรมะแต่เป็นปกติภาพของพระพุทธเจ้า ของพระหันทั้งหลายข้อแนวการทำนายทายทักเนี่ยถ้าโดยอาบัติแล้วก็ต้องอาบาัตินะเป็นอาบัตเล็กๆกาบมาทุกข์แต่ว่าสังคมเนี่ยมันพูดยากคือผลท้ายเนี่ยพระต้องอนุเราะ์ต่อชาบันยิ่งพระอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยต้องหัดได้เป็นสารพัดเป็น พช่วยเหลือชี้นะให้แาวบ้านเกิดความรู้ความเข้าใจด้านการบอกกล่าวในลักษณะอย่างนี้มันเป็นงานสั ง, มงคมสงเคราะห์ประการหนึ่งนะก็สอดแทรกธรรมะเข้าไปชี้แนะหลักการในการดำเนินชีวิตเพื่อช่วยให้บุคคลเหล่านี้ดำเนินชีวิตไปได้โดยดีโดยปกติสุข ก็ต่อไปถามว่าโยมที่มาถวายของและบอกกับพระภิกษุว่าถ้าขาดอะไรขอให้บอกจะได้มาถวายให้จะได้มาถวายให้ภิกษุรูปนั้นมีสิทธิ์ จ, จะร้องขอได้หรือไม่และขอได้มากน้อยแค่ไหนคือเขาพูดเนี่ยจริงจริงไม่ค่อยรัดกุมนะประโยคที่พูดเนี่ยถ้าขาดอะไรขอให้บอกเนี่ยมันมันเยอะไปหน่อย แต่ว่าพระเราเองก็ต้องรู้จักสถานะก็ เ, เรียกว่ามีสมณสัญญาคือสันดักสันึกว่าเราเป็นคระถ้าจะขออะไรใครเนี่ยท่านยกตัวอย่างไว้ในพระบาลีจะนุ่งรดโจรขโมยเราจีวรสามผืนเราขอได้แค่สองผืนแต่เจอขโมยไปสองผืนก็ขอได้แค่ผืนเดียวแต่โจขอขโมยขโมยไปผืนเดียวก็ไม่ต้องขอ หรือไม่ต้องว่ารบกวนแถวบ้านเขาฉันก็ขอเท่าที่จําเป็นจะต้องใช้และต้องบอกกล่าวเขาเพราะเขางานบางครั้งเนี่ยเขาไม่ได้คิดว่าพราจะไปข อ, อตัวหลุกอย่างนั้นนะเราพูดไปธรรมดาๆรรอย่างเนี้ยถ้าเล่นสีดันนนชัยแล้วก็ยุ่งไง้ากาดอะไรขอให้บอกไงเนี่ยพระเกิดขาดที่ของจริงไม่ควรแก่สัมมนาบริโภคขึ้นมาไปขอขึ้นมาก็ขอได้นะฮะ แต่เราต้องรู้ว่านั่นเป็นความเจตนาที่บริสุทธิ์ของผู้ภาวนาเขาไม่ได้คิดว่าเราจะขออะไรมันลุลางพันเตไปหรอกก็คงคิดว่าพระก็งงคงจะขอเท่าที่ควรยวขอเพราะพระก็มีสิทธิ์จะขอได้แต่ว่าต้องรู้จักประมาณพอเหมาะความควรคือบางทีมันเป็นธรรมเนียมเฉยๆนะะเป็นธรรมเนียม จะบ้านมาพบพระก็ปรานาอย่างนั้นแหะแต่พระเราก็รู้มันเป็นธรรมเนียมเฉยๆคือตามปกติแล้วก็ไม่ขอกันเลยเขาก็บอกไปอย่างนั้นเองเราก็ถือว่าเป็นเขาก็บอกตามธรรมเนียมเราก็รับตามธรรมเนียมแต่เราก็ไม่ขอนะฮะเราก็ไม่ขอเป็นไว่แต่มันจําเป็นสะสาดใจกันจริงๆแล้วก็ขอเท่าที่แก้ปัญหาทึ่งเกิดขึ้นบ่าย เช่นเราเกิดเจ็บไายไม่สบายจาเป็นจะต้องมีค่ารักษาพยาบาลขึ้นมาแล้วก็อยู่รายญาติโยมเวลากระทันหันขึ้นมาเนี่ยอาจจะบอกก็ได้ซึ่งเขาเองว่า่อยก็ยินดีนะฮะที่ที่จะบริจาคที่จะช่วยเหลือสนับสนุนโดยสรุปว่าการรู้จักประมาณในเป็นเรื่องใหญ่เพราะถ้าเราไม่รูจักประมาณในที่สุดชาวบ้านก็ขยาดพระไป คือพระไปขอในเรื่องเดียไม่ควรขอในการเด๋ยไม่ควรขอหรือเกินจําเป็นที่จะขอแล้วคนก็ขยะตรวาศาสนาเรนี้จึงเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังไม่ใช่ว่าพอเขาขอแล้วขอได้อุตรลุกไม่จําเป็นอยากขอแต่ถ้าขอในขอได้นะฮะอย่างแต่ให้รู้จักประมาณการรู้จักประมาณนี่ยเป็นเรื่องสําคัญ ว่ามันผู้รู้จักประมาณยังประโยชน์ให้สำเร็จอันเองทั้งฟังทงงั้งหลายใต้โลกวิทยาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้องามไปบูรณนธรรมจะมีได้ท่านผู้ฟังทงั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี